จะรักฉันยิ่งนี้นี้ตลอดไปใช่ไหมอีกสิบปีก็ยังจะรักใช่หรือเปล่าถ้าวันอนาคตโลกเราเมันจะเป็นอย่างไร อะไรจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนฉันว่าน่าคดโลกเราคงเปลี่ยนไปมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งจะเหมือนเดิงจะตัวติดเธอไม่ว่าจธอยู่ที่ใดถึงจะเลือ่อเธอก้าันไปรักใครรักกันแล้วเธอก้าัาามาเปลี่ยนใจอยู่ด้วยกันเปนหนๆย่าเปลี่ยนไป นทยทุกปีจะอยู่กับเธอถ้าฉันแก่ก็จะแก่ไปพร้อมๆเธอถึงเป็นลูกก็จะเป็นลุงที่รักแค่เธอ Forever, Forever. นานเท่าไรก็เธอถึงรักฉันมี จะตัวติดเธอไม่ว่าเธออยู่ที่ใดถึงจะเบื่อเธอก็หาไ่รักใครรักกันแล้วเธอ็ค่มาเปลี่ยนใจอยู่ด้วยกันไปน้นๆจะเปลี่ยนไป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 ตลอดไปใช่ไหมอีกสิบปีก็ยังจะรักฉัน แรก <S 2> <S 2> <S ฉันเอง 牵引你，你的。